ศึกษาธรรมชาติก็บอกแล้วว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติต้นไม้คือเราเราคือต้นไม้เพราะต้นไม้ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับเราต้องการดินต้องการน้าต้องการคอยคือแสงแดด ต้องการลมต้องการดังนั้นเหมือนกับเราทีนี้เราก็คือต้นไม้ต้นไม้ก็คือเราถ้าเราปลูกต้นไม้เราไม่เอาใจใส่ไม่ต้องปลูกอย่างนั้นก็ไม่ต้องปลูกเพราะไม่เอาใจใส่ไม่เอาใจใส่มันก็ตายเทีนี้รวมแล้วไอ้ธรรมชาติมันคือเรา เราคือธรรมชาติเพราะเราทั้งหมดนี่ร่างกายทั้งหมดนี่เป็นธรรมชาติถ้าหากว่าเราไปที่ตุ้งนามีส่งแห้งแห้งมีหญ้าแห้งแห้งมีแสงแดดที่ระยิบระยับสบายไหมลองคิดดูเราก็คิดถึงร่มไม้คิดถึงหญ้าเขียวเขียว คิดถึงดินชุม่มคิดถึงหนองน้ำํำนี่ฉะนั้นธรรมชาติคือเราเราก็คือธรรมชาติถ้าเราไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งอย่างทางภาคเหนือภาคกิจฉานพอไปที่ภูเขาภูเขาที่เต็มไปด้วยไม้ไผ่แต่ว่าไม้ไผ่ก็แห้งตายหมดชีวิตอะไรชีวิตของเรา ตาของเราก็มองไปมันเหี่ยวแห้งใจก็เหี่ยวแห้งปากไปหมดนี่แอนไหมเรากินต้นไม้กินผักกินพืชกินผ ล, ลไม้กินข้าวนั่นแหะชีวิตของเราอยู่ได้เพราะต้นไม้อยู่ได้เพราะพืชผักดังนั้นเราปลูกต้นไม้ ต้นไม้กินไม่ได้ไม่เป็นไรดูแล้วสดชื่นเราก็สดชื่นไม้ดอกเราก็สดชื่นไม้หอมเราก็สดชื่นไม้ใบสีเขียวสีแดงเราก็สดชื่นแต่ถ้าไม้เหล่านั้นตายแห้งมันสดชื่นที่ตรงไหนเหมือนกับตัวเรานั่นแหละแ่ไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้ทานข้าว ผอมลงผอมลงแหง้งลงแหง้งลงลองโรยเราเอาต้นไพลไปปลูกใหม่ๆหม่ปลูกแล้วก็หันหลังหห้เลยหมดตายหมดอย่างนั้นนี่ตายหมดไม่เหลือต้นไม้ไม่ใช่เราแล้วเพราะเราก็แหง้งต้นไม้ก็แหง้งมันก็แห้งหมดฉันั้นเราจะต้องรักธรรมชาติรักธรรมชาติทุกอย่าง เร่องพวกบอลพวกโกชนย่าเยอะอะไรอย่างนี้เราต้องรักธรรมชาติตัางนั้นเอยเพราะธรรมชาติคือเราเราคือธรรมชาติแต่ว่าเรามองไม่เห็นเรามองเห็นแต่ธรรมชาติที่เป็นเศรษฐกิจมานก็ผลประโยชน์เพื่อจะกินเพื่อจะอยู่เพื่อจะได้เพื่อจะมีอย่างเดียวมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าเราอยู่ที่คอนโดชั้นที่ห้าสิบอย่างนี้เราไม่มีเพื่อนเลยเอาต้นไม้ไปปลูกมันก็ขึ้นเหี่ยวเหี่ยวแห้งแห้งอย่างนั้นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เราก็ต้องเอาใจใส่มันว่าถึงเห็นต้นไม้ถ้าเราปลูกเราเอาใจใส่เอาปลูกต้นไม้มีดอกมีกลิ่นหอมมีสีอ่ามันก็ชื่นใจละ ไปถึงนั่งก็ชื่นใจแล้วเราก็เลี้ยงหมาไวมีหมาไปถึงหมาก็าก้าวมาหาเราเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ไม่ว่าหรือต้นไม้มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ห้ถึงกันเลยกันเนี่ยมันจะห้ถึงกันแลยกั น, น, ก น, กนทังนั้นเนี่ยชีวิตคือการ ห, ห้เราเห็นต้นไม้เหี่ยว ผ่านต้นไม้เฉาผ่านต้นไม้ตายผ่านต้นไม้ล้มผ่านให้แสดงว่าเราปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่รักธรรมชาติมันยากที่จะรู้ธรรมมากเราต้องฝึกรักธรรมชาติศึกษาธรรมชาติให้กิจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติแล้วมันก็อยู่กันได้แล้วเราก็สบายสบาย ตนี่อหลวงพ่อไปเนี่ยวัดที่ไปเนี่ยอ้าวเป็นวัดที่มีภูเขาภูเขาเล็กๆโอ้อยู่กันเหมือนรังนกกระจาบสบายไหมสบายไหมลองคิดดูเนี่ยวัดเรามป็นแสนที่จะสบายธรรมชาติก็ดูแลเราเราก็ดูแลธรรมชาตินั่นเหมือนรังนกกระจาบกดเตะหลังหนึ่งไม่ได้เดียวนะ ว่วงกันเป็นแถวแล้วก็โสงขึ้นโูงขึ้นโูงขึ้ น, นแล้วก็เดินวนไปวนมาวนมาวนไปถ้าขโมยเข้าไปนะี่ไม่หวังตายแน่ออกไม่ถูกนี่เขาอยู่กันน่เห็นไหมมันผิดธรรมชาติอย่างนั้นเหมือนกับไอนะ้รังมดนะรังมดตีมันเหนื่อยเถวๆนี้่แล้วก็เป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องมันก็ไปมาหาสู่กันได้หมด ก็เหมือนกำรังปลวกอย่างนั้นเลเนี่ยอยู่กันอย่างนั้นแต่ของเรานี่มันไม่ใช่เราอยู่กับธรรมชาตินั่งดูธรรมชาติตรึกตราธรรมชาติหายใจอากาศที่แสนที่ชสบายเข้าไปในปอดแล้วก็ตาก็มองเห็นแต่ธรรมชาติที่มันสดชื่นไปหมดฉะนั้นถ้ามันมีอะไรผิดปกติเราก็รู้แล้วว่าธรรมชาตินั้นผิดปกติแล้ว ต้นไม้ในกระถางใบแดงสุกแล้วจะกินได้แล้วเรายังมองไม่เห็นเลยนี่คือเราไม่รักธรรมชาติทีนี้เรารักผลไม้เราต้องการแอปเปิ้ลเราต้องการกล้วยเราต้องการอะไรปลูกเสร็จแล้วมองเห็นแต่ผลมันแต่ไม่ได้เลี้ยงโคนมันไม่ได้เลี้ยงรากมันไม่ได้เลี้ยงลำต้นมันไม่ได้เลี้ยงใบมัน มันสวยทางนั้นแหละมันสวยทางนั้นธรรมชาตินี่สวยสดงดงามทางนั้นเลยแล้วก็สดชื่นทางนั้นแต่ถ้าธรรมชาตินี่เหี่ยวแห้งก็เหมือนกับชีวิตของเรานั่นแหละมันเหี่ยวแห้งเพราะให้มันเหี่ยวแห้งไปชีวิตเนี่ยแก่แล้วมันก็เหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งแต่ข้างนอยไม่เหี่ยวแห้งข้างนอยมันจะสดชื่นเป็นธรรมชาติเหมือนกับเพราะว่ามันมีน้ํา มีน้ำปลาพราม่าอยู่ตลอดเวลานี่คือธรรมชาติฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมชาติเราจะรู้ธรรมะเราต้องศึกษาธรรมชาติทุกอย่างทุกอย่างต้องศึกษาธรรมชาติเราศึกษาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่ามันก็ได้มาจากธรรมชาติจะเป็นระบอจีวอนเสื้อผ้าราองต้นรองเท้าอะไรอย่างนี้ มันมาจากธรรมชาติทางนั้นเลยถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติก็คือเราไม่รู้จักตัวเราเองไม่รู้จักจิตเองไม่รู้จักจิตเองธรรมชาติมีแต่ไห้ไอ้ไอ้ไอ้อผลไม้ที่มันออกผลมนมังคุดเนี่ยตัวมันเองได้กินบ้างไหมไม่มีตุเรียนต้นมันเองได้กินบ้างไหมไม่มี ลูกตาลลูกนั้นลูกไอ้นี้ผลอันนั้ น, น, น, นอันโน้นตัวเองได้กินบ้างไหมไม่มีนั่นธรรมชาติมันมีแต่ไห้ให้ให้ห้แล้วก็ให้คนมาให้พวกเรามาแล้วเราก็ไม่รู้บุญคุณเขาอีกนี่อย่างน้อยที่สุดเราก็นายดัด่งลมอย่างน้อยที่สุดทำให้เราทษสายตาออกไปมันเย็นมันสงบมันสะบายนี่ เราต้องรู้ธรรมชาติทีนี้พอมีต้นไม้ลมก็พัดมาเบาเบาเบเบาเราก็นั่งรบายนี่ธรรมชาติดังนั้นดะนั้นเราต้องรู้จกักบุญคุณของธรรมชาติธรรมชาติที่มันไหลมาไหลมาไหลมาไหลไปอย่างนั้นทีนี้ต่อไปเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็รู้ว่าธรรมชาติทุกอย่างธรรมชาติทุกอย่าง ว่างจากตัวตนแล้วเราว่างจากตัวตนไหมเราไม่ว่างเพราะเรามีจิตให้เราก็ยึดมั่นเถือมัน่นเลือกยึดมั่นเถือมัน่นแต่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นหมากี่เลื่อนเราก็สงสารถ้ามีขนมมีอะไรในมือเราก็โยนให้เขาเนี่ยเห็นหมากีหมากีเลื่อนหมากีสวยๆใครก็ชอบหมากี่เลื่อนไม่มีใครชอบ นี่แหละมันทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติเราเห็นคนขี่เลศเราเกลียดแต่ถ้าเราขี้เรศเนี่ยตามที่จริงเราเองถ้าไม่มีธรรมะเราก็เป็นคนขี้เรศนั่นแหละคนที่ไม่มีธรรมะคือคนขี้เรอทีนี้คนที่ร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองแต่ไม่มีธรรมะคนนั้นแต่งตัวโอยมีเพชรนินจินดาแต่จิตขี้เรนศอย่างนั้นนียทีนี้ถ้าคนที่พออยู่พอกิน นี่จิตใจโอบอ้อมอารีนี่ไม่ขี้เละอย่างนั้นคนไม่ขี้เละ น, นี่นี่เราต้องอ่านให้ออกว่าธรรมชาติอะธรรมชาติยบางทีพอเห็นพระอย่างนี้พระนี่อะไรก็ไม่รู้พระนี่อะไรก็ไม่รู้อ่าก็ไม่ได้ยกมือไหว้หรอกเป็นคนแก่แล้วคนแก่ปกติจะยกมือไหว้พระอ้าวที่นี่นวันหลวงพ่อก็นั่งอยู่ที่วินแช ธุปกิจเก็มาส่งแล้วถึงเวลาที่จะกลับเราก็จะเคนเวินแชยแล้วอ่าเขาก็เลยกราบกราบหลวงพ่อที่เท้าที่วักอยู่ที่วินเชยนั่นแหละลูกศิษย์หลวงพ่อผู้ชายก็จะเป็นอย่างนั้นกันดังนั้นแหละอ่าเสร็จแล้วก็อ่ากนนั้นที่อยู่ใกล้ๆเห็นธุปกิจเขากราบอย่างนั้นตัวเองก็เลยยกมือไหว้อ่อพระองค์นี้วาใจธรรมดาแล้วนี่เห็นไหมนี่ไม่ได้ยกย่องตัวเองเหรอก แต่ว่าเรารู้ว่าในจิตของพระองค์นี้เกามีธรรมชาติก็มีธรรมะจากนั้นเราต้องเอาธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติที่สงบเย็นนั่นแหละบรรจุเอาไว้ในจิตจองของในจิตของเราพอบรรจุเอาไว้พอคนเขาเห็นเขาอะไรเนี่ยเขาไม่กระด้างกระเดื่องไม่กระด้างกระเดื่องถ้าเขากระด้างกระเดื่องก็เรื่องของเขา เราทำยังไงไม่ใช่เราเกลียดเขาเราก็น่าจงใจน่าจงสาจเนี่ยในจิตต้องอย่างนั้นน่าจงาใจเนี่ยมันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเนี่เราต้องวันจุธรรมชาติต้นไม้มันพูดได้รู้ไหมต้นไม้มันพูดได้่อยไม้มันพูดได้พูดได้ทั้งนั้นอพูดได้ทั้งนั้นพูดเรื่องอะไร พูดเรื่องอนิจจังอนตตาเรื่องสุญญตาเนี่ยพูดเรื่องเดียวกันหมดในโลกเนี้พูดเรื่องเดียวกันหมดพูดโดยไม่มีภาษาพูดแต่ภาษาเงียบเป็นภาษาเงียบเนี่พูดได้ดังนั้นหมามันพูดไม่ได้แต่มันก็แสดงความรักให้เราเมตตามันแล้วมันก็ดูแลเรามันก็เชื่อความเราอะไรเรานี่นะธรรมชาติทังนั้นเลยธรรมชา ต, ติทุกอย่าง ที่เราใกล้ชิดมันก็มีเมตตามีกรุณาาโตกันและกันแม้แต่ต้นไม้ต้นลายมันก็ยังพูดได้พูดว่านี่ดูฉันทีแต่เราปลูกดอกกุหลาบนะรือว่าดอกอันนี้แหละดอกอะไรดอกกระดังงาอันที่ตรงนั้นแหละมันก็พูดได้พูดได้ยังไงอ๋อจนให้ความหอมกับเธอนะ แต่ในมันถ้ามันพูดได้จริงๆมันพูดว่าตอนเย็นเย็นน้ำไม่ฉันดื่มมั่งไม่ใช่เอาแต่หอมอย่างเดียวถ้าไม่มีน้ําแล้วอะไรมาหอมมันก็แห้งตายนี่มันก็พูดได้อ่าเสร็จแล้วพอเช้าขึ้นมามันไม่หอมแล้วเพราะอะไรอ่ก็เพราะว่ามันเหี่ยวมันเจียแล้วมันก็พูดได้ว่าน่าเนี่นี่อานิจจัง ฉันอน่านจังแล้วอย่างนี้ฉันอ่านนัก ต, ตาแล้วโน่นไปกองอยู่ที่โคนแล้วนี่ทุกอย่างหละเราศึกษาอยู่เราศึกษาดูเถอะว่ามันเป็นธรรมชาติทางนั้นนี่จิตของเรามันไม่เป็นธรรมชาติเราก็อ่านธรรมชาติไม่ออกเราต้องทําจิตให้เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติจนเป็นธรรมชาติที่ว่างกับตัวตนโน่นต้องไปถึงโน่นแล้วทีนี้ เวลาดอกไม้มันร่วงยังเหลือดอกเล็กๆที่ทําท่าจะบานในวันพรุ่งนี้มันเสียใจไหมมันเสียใจอู้ตายแล้วเพื่อนของฉันตายแล้วไม่มีเลยเอา้าวหมาแม่มันตายเหลือแต่ลูกลูกมันก็ไม่ร้องไห้เลยไปถึงดมดมดมอา้าตายแล้วมันก็ไม่ร้องไห้ไม่อะไรเลยเนี่เห็นไหมแต่ถ้าหมาเล็กๆมันร้องไห้ไม่ใช่เป็นห่วงแม่มาหลอก มันต้องการวันหิวนมเนี่ยวันหิวนมต่างหากนี่เห็นไหมเราต้องรู้จักธรรมชาติทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างต้องเรียนรู้ธรรมชาติเรามาศึกษาธรรมะเรามาปฏิบัติธรรมะเราต้องศึกษาศึกษาภายนอกศึกษาภายในเราศึกษาภายในจิตของเขานี่เราต้องศึกษาหมดศึกษาหมดเรื่องของธรรมชาติมันหมดหละ ธรรมชาติทางนั้นธรรมชาติทางนั้นไม่ยกเว้นอะไรทางนั้นเลยมีแต่ธรรมชาติวันนธรรมชาติที่หยาบธรรมชาติที่ละเอียดธรรมชาติที่พูดไม่ได้แต่มันก็พูดได้หูของเราได้ยินได้ยินเราก็เดินไปข้างๆมันจะพูดว่าขอน้าหน่อยขอน้ำหน่อ ย, ออยอถ้าเป็นคนก็บอกว่าขอแห้งเต็มทีแล้ว ขอนาำหน่อยขอนาำหน่อยนี่แหละหลวงพ่อเนี่ยปลูกต้นไม้ถ้าต้นไม้เหี่ยวหลวงพ่อมาถึงรดน้ำต้นไม้เลยเมื่อวานยอมรู้ไหมมาถึงรดน้ำต้นไม้เลยต้นโกชนต้นอะไรพวกนี้ถ้าดินมันแห้งแล้วมันก็ไม่มีอะไรกินแล้วมันกินน้ำอย่างเดียวนี่โอยนะหน้นา น, น, าน่นจะครั้งหนึ่งนี่เห็นไหมฉะนั้นเราปลูกต้นไม้เราก็ได้ปัญญา แเราก็ได้เพื่อนเราเลี้ยงหมาเราก็ได้เพื่อนเราก็มีเมตตาเราเลี้ยงแมวเราก็มีเมตตาเราเลี้ยงคนเราก็ต้องมีเมตตาไม่ใช่มีลูกมีเต้ามีหลานมีเหลนมีเมตตาเฉพาะแต่ลูกหลานของตัวเองอย่างเดียวแต่ลูกหลานคนอื่นช่างหัวมันปะอะไรอย่างนี้แหละตัวใครตัวมันเห็นไหอยนีถ้าให้ลูกของเรากินขนม โลกของคนอื่นมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ต้องให้เขาจะคำหนึ่งอะไรอย่างนี้นี่คือเมตตาเมตตาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้ น, นมันอยากที่จะกินมันอยากที่จะดื่มอะไรอย่างนี้ธรรมชาติเราศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมชาติตั้งแต่หยาบที่สุดจนละเอียดที่สุดภายในจิตใจของเขาจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเขาเป็นยังไง เวลาโกรธแสดงสีหน้าเป็นยังไงเวลารักแสดงสีหน้าเป็นยังไงโดยไม่ต้องพูดนี่โดยไม่ต้องพูดหลวงพ่อไปที่วัดโนโนโ่กว่าจะได้กลับล้อมกันเต็มนะจันข้าวก็ไม่อิ่มอิ่มยังไงอนั่งล้อมกรอบกันอยู่อพอจันข้าวแต่แล้วก็ตายรูดตายรูดตายลูดคนนั้นมาตายคนนี้มาตายโอย้ออกยากจริง เนี่ยเป็นอย่างนั้นทุกจุดหลยอ้าวพอมายังไม่ถึงวัดเลยนี่มนต์ใหม่อีกแล้ว ไ, ไปป่อยอกตายพอดีหลวงพอ่อว่าไม่ต้องทำอะไรกันเราไม่ใช่ไม่เมตตาแต่ว่าเขาก็จะต้องคิดบ้างว่าคนแก่ขนาดนี้แล้วไปไปมามามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายแล้วก็พูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงวันเหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยนี่แต่ก็เขารู้ ต้องการที่จะหลวง พ, อพ่อพูดพูดพูดแล้วก็ววววกังกังกังกังแล้วก็ไม่ปฏิบัตินี่ก็ได้ผลอะไรอะได้อย่างนั้นเนี่ย เ, เอาแต่อย่างนั้นอเอาแต่อย่างนั้นนี่ฉะนั้นเราต้องศึกษาหมดหละธรรมชาติศึกษาลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปนี่ไก่มันขันมันได้อะไรอมันไม่ได้อะไรแต่เสียงนี้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทํำให้ มันกลมกล่อมธรรมชาตินี้มันสมดุลในป่าอย่างนี้มีเสียงไก่กันมีเสียงนกเขามีเสียงลูกเจี๊ยบออย่างนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติที่มันกลมกลืนกลมกลืนกันไปหมดนี่ดันั้นเราต้องศึกษาธรรมชาติไม่ใช่ควังแต่หลวงพ่ออย่างเดียวซึกงพระธรรมชาติทุกอย่างที่มันขวางหน้านี่ ว่ามันเป็นอนิจจังยังไงเป็นทุกขังยังไงเป็นอนัตตายังไงแต่ดูที่เห็นโค้งใช่เดือนเขียนจดหมายถึงมนุษย์ว่ามันเขียนยังไงพ็ลองคิดดูเลยดอกไม้จัดคนไม่ใช่คนจัดดอกไม้ดอกไม้จัดคนเพราะยึดมั่นถือมั่นไปยึดมั่นถือมันหรืมันสวยมันงามมันก็เลยจัดเราแต่เราก็ไม่รู้จักมันเนี่ยทุกอย่างธรรมชาติทั้งนั้น เพราะฉะนั้นพวกเซนเนี่ยก็จับอันนั้นมาก็าได้อันนี้มาก็าได้พระพุทธเจ้าเมื่อก่อนอ่ะท่านถือหญ้าแห้งอย่างเดียวนี่อ่อนี่เธอรู้ไหมที่เธอเดินตามหลังเรามานี่ะเธอเก็บหมดอ่ะพวกกวางแห้งหญ้าแห้งใบไม้แห้งอะไรเก็บหมดอ่ะนี่เก็บหมดอ่ะมันเรื่องอะไรเก็บมาทําไมอ่ะทีนี้ถ้าเราคิดว่าถ้าเก็บก็ต้องใช้ย่ามมาต้องอะไรมา ไม่ใช่ไมันจะเก็บอย่างนั้นเห็นคนสวยอ๋อไปยึดมันเถือมัน่นเห็นคนที่ไม่สวยไม่หล่ออ๋อเกลียดเขาคือเก็บทางนั้นเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์มที่เห็นที่ได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสมานั่นคือเก็บเราพุทธเจ้าเลยตัดว่านี่กวางแห้งไม้แห้งอะไรที่เราเดินผ่านนิติเก็บมาหมดหรือนี่เห็นไหมนั่นแหละอ๋อทีนี้ยังมี อาจารย์คนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นก็มีลูกศิษ ต, ตามหลังอขนมันตกหนักก็ขนตกหนักในตอนเย็นเป็นยังไงก่นก็แล้แงแล้งแล้วท่านก็เดินไปข้ามถนนในอาจารย์ข้ามถนนอย่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวแบบญี่ปุ่นนั่นแหละแบบรุ่มร่ามนั่นแบบรุูมร่ามเป็นแล้วก็ต้องการที่จะข้ามไป กว่างนูน้นก้ามถนนไปกว่างนูน้นแต่น้ํามันท่วมถนนน้าท่วมถนนถ้านางเดินไปก็หมายความว่าต้องลากไอ้พวกนั้นเนี่ยไปลากไอ้ไอ้ปลาหนุ่งที่มันลุ่มรามนั้นมันไปพระอาจารย์นั้นก็เลยจัดการแป๊บเดียวจับนางมาถึงก็อุ้มแล้วก็ไปวางไว้กว่างนูน้นแล้วก็ไปแล้วอืมท่านไปแล้วไปแล้วทีนี้ลูกศิษย์ก็โอ้พอาจารย์เราทาไมอย่างนั้นเนี่ย ทำอย่างนั้นอาจารย์เนี่ยกอดเดินตามหลังเดินคิดคิดคิ ด, ค, ดคิดไปไปอุ้มลูกสาวก็ได้ยังไงเนี่ยที่อยู่ในชุดกิโมโนนี่ทีนี้นก็ทนไม่ไหวแล้วบออาจารย์ทําไมอาจารย์ไว้อุ้มลูกสาวก็าละเอา้าฉันทิ้งเขาไว้ตรงนน้นแล้วเธ อ, อยังอุ้มอยู่อีกหรือนั่นเห็นไหมอารมณ์อุ้นอุ้มอารมณ์ ม, มา อาจารย์เสร็จแล้วแยบร้อยแล้วไม่ได้คิดอะไรแล้วอุอ้มลูกสาวก็มาก็คิดว่าต้นไม้ต้นฟืนมันไม่ได้เป็นลูกสาวลูกแท่อะไรก็รอกแต่ช่วยมันหน่อยอตั้งวางาว่าที่เรีกว่างโนนแ้วก็ไปแล้วพระองค์นี้ก็ตนไม่ไหวแล้วคิดคิดคิดคิดคิดคิ ด, คดอาจารย์แล้วอาจารย์ทำอย่างนั้นได้ไม่อาบัดอ้าวฉันวางแล้วเธอยังอุ้มมาอีกเห็นไหม นี่แหละอารมณ์อารมณ์นี่มันเป็นธรรมชาติเห็นว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติหมดเห็นเป็นธรรมชาติหมดไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นคือปล่อยวางเสร็จแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอตามจิตว่างจากอารมณ์ต่างๆหลวงพ่อวันหนึ่งอยู่ที่นี้แหละนี่พระอาหันต์ท่านทำใจยังไงไมรู้จะถามใคร ไปหาท่านอาจารย์ดีกว่าเกินรถไม่ป่อยไปถึงนู่นก็ไปหาท่านอาจารย์อืก็ไปหาท่านอาจารย์ท่านก็เดินอยู่ข้างกุฏิกราบท่านเสร็จท่านก็ดูนั่นดูนี่เราก็เดินตามหลังท่านอท่านอาจารย์ครับพระราหัตท่านทําใจยังไงท่านบอกพระราหัตไม่มีอารมณ์เต่านี้แหละเห็นไหม ถ้าพระอาหารหันต์ท่านไม่มีอารมณ์ไงคืออารมณ์ทางตาที่เราเห็นน่ะรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสกลายมาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารมณ์ที่นี้เราทิ้งธรรมารมณ์เราไม่ยึดมัน่นถือมันในตัวนั้นตัวเดียวจบนั่นพระอาหารหันต์ไม่มีอารมณ์ไงเดี๋ยวไม่มีอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธ อารมณ์อิจฉาลิดสยาพอใจไม่พอใจอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าบางทีก็แกล้งเหมือนกันแกล้งแกล้งแสดงเป็นโกรธอย่างเนี้ยแกล้งแสดงเหมือนกับเนรนอย่างเนี้ยก็แสดงกับมันอ่พอแสดงกับมันมันก็กลัวแน่นอนเนี่ยเราก็แกล้งมันมันม่งแต่ว่าข้างใดเราไม่มียังมีความเมตตาอย่างมีอะไรกับมันอยู่นี่คือเราต้องมีเมตตาทั้งนั้นก็ดูดิ พระเทวทัตอะกลิ่งหินให้ไปทับพระพุทธเจ้าให้ตายมันไปโดนตัวเองพอโดนตัวเองของพระพุทธเจ้าไปนั่งไ้นั่งประคองอเอาหัวของพระเทวทัตนั่นแหละมาวางบนตักของพระองค์ห่อผ้าเทวรไปเช็ดเลือดนี่ขนาดเขาจะบฆ่าให้ตายแล้วยังเอาผ้าไปเช็ดเลือดไปเมตายเขาอีก มาลองคุดคิดดูดิเมตตาของพระพุทธเจ้านะขนาดไหนนี่ขนาดไหนนี่ดังนั้นเราถ้าเราดูหนังพระพุทธเจ้าเห็นภาพนั้นเล้วยควรจะติดอกติดใจเอาไวา้นี่ต้องเมตตาแมา้แต่กับศัตรูของเราเองเราก็ยังต้องเมตตาคนที่เกลียดเราแล้วก็เฉยเฉยแต่วันไปตามบุญตามกรรมตามเรื่องตามราวของมันเนี่ยต้องเมตตานี่มีเมตตาอย่างเดียว มีไอ้ไอ้ไอไอโจรคนหนึ่งมันชอบขอโมยตอนกลางคืนเจ้าเจกลักนั่นขโมยนี้อพอเจ้าไปนอนนั่ที่ศาลานอนที่ศาลาพอดีเศรษฐีคนหนึ่งเขามีลูกมีคนใช้เขาติดตามมาก่ อ, อ, อนนั้นก็ น, นอนเอาผ้าปิดหน้าเขาเปิดเท้าเพราะมันตัวมันยาวนี่ ก็เปิดตาเ้าก็จกกับปลกมีที่โครนทั้งนั้นเศรษฐีก็เลยพูดว่าเออไอคนที่สงเกย์ก็เที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนก็เรื่องกายมุกันอะไรก็เปิดหน้าขึ้นดูเศรษฐีพอดูเศรษฐีก็เศรษฐีก็เดินเข้าวัดเข้าวัดเจดวันนะั่นะอ่าคาตพยายามบาศเห็นไหมอ่าฆาตพยายามบาศเศรษฐีเอาเศรษฐี เลี้ยงวัวห้าร้อยตัวไปควันทขาวัวก็เรียกว่าควันน้องวัวนะทุกตัวห้าร้อยตัวเอาเถิ่ยวก่าวว่านายคนนั้นเอาไม่เป็นไรไเป็นไรอ่าอาไปให้มันกรรมมันยอ่อมสวยเองอ่ะต่อไปเองเศรษฐีทำนาข้อ้าวจุกยับจุกยับคือเรียกว่ามันอยู่กับดินแล้วอ่าคนใช้เขาก็เก็บเก็บ คือคนเมื่อก่อนนี่ที่เป็นทาตของเศรษฐีเนะี่เพราะว่าเขาตอนแรกเขาก็ไปเอาอาหารที่เศรษฐีตั้งอาหารในหน้าบ้านใครจะต้องการมาเอาก็เอาเอาเออาตักให้ตักให้กินทุกวันทุกวันมาละอายใจละอายใจเลยมาถามเศรษฐีว่าเศรษฐีจะให้พวกเราทําอะไรบ้างพวกเราจะช่วยนั่นแหละก็เลยยกขโยงกันไปอยู่กับเศรษฐีเลย ควานั้นก็เป็นธา ต, ตุเศรษฐีเหมือนก็เป็นธาตอย่างนั้นก็ทําน า, าร้อยไรย่เลี้ยงหัวหร้อยตัวอะไรอย่างนี้ออทีนี้เสร็จแล้วไม่รู้จะสร้างอะไรเสร็จที่ก็สร้างศาล า, า, า, า, าสร้างศาลาพอสร้างศาลาทีนี้ไอ้นายคนนี้อะไรไปถามคนใช้เศรษฐีว่าเศรษฐีนี่รักอะไรมากที่สุดอืเพราะมันเห็นว่าขนาดว่าเบียดเบียนหัวก็ไม่โกรธ ไปจุดนาข้าวก็ไม่โกรธรักอะไรมาเพรรักศาลารักศาลาทีนี้ก็อเทติก็ไปดททูทุกวันทุกวันทุกวันที่ก็กําลังก่อสร้างอยู่ป๋อหายพอเทติหายตัวไ ป, ไปไนายคนนั้นก็มาเป๋อศาลาทีนี้พอป๋อศาลาคนในวัดก็เว่งไปบอกเทติว่าเทติเทติคอยกําลังไหม้บ้านอ <c oughs> กําลังไหม้ศาลาอ เศรษฐีก็รีบมารีบมาถึงตบมือเลยตบมือแปะแปะแปแปะโอ้เราได้วาตะวายทรัพย์สมบัติไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ขวงญทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ตบมือสามครั้งดีใจดีใจก็ได้ขวงญทรัพย์แล้วเร่าขึ้นมาก็นี่ยมลพระมาที่บ้านอาให้มาจันอาหารรูปก็ไม่ทราบ ออกมาจานอาหารเสร็จแล้วเศรษตีก็เลยจัดการจัดการกรวดน้ำกรวดน้ำอาขอให้คนที่อาคาตพยาบาทข้าพเจ้าจงได้รับส่วนบุญตัวคณสนนี้เถิดนี่ให้ตรูก่อนแลวคนที่รักคนที่พอใจให้ทีหลังอนี้ในขณนะนั้นเองเือบ้านของเสรจฐีของจะมีนอกชานนายคนนั้นก็เอากริดไป แล้วไปซ่อนตัวอยู่ที่ใต้ตุนที่นอกชานนั่นแหละพ อ, ะอได้ยินเนี่ยโอ้ยส ต, ติทำามอย่างนี้เราเบียดเบียนจนไม่เหลืออะไรแล้ว่างพอทำบุญทำทานกรวดน้ำให้เราเป็นคนแรกขึ้นมาทีนี้วางกริบแล้วกดขึ้นมาขึ้นมาถึงก็ทำความสวัส ด, ดีเสติบอกว่าผมเองแหล ะ, ะที่ได้ทำอย่างนั้น ผมจะไม่ทำอีกแล้วผมจะมาขอเป็นคนใช้ของเศรษฐีจนตลอดชีวิตแกติบอกว่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเธอไปตาเวน้นตามเรื่องตามกรรมของเธอเถิดว่าเราจะพูดกับเธอไม่ได้เราพูดเพียงสามคำว่านายคนนี้สงสัยว่าจะเที่ยวกลางคืนพูดเท่านั้นเธอยังโกรธถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเธออย่ามาเป็นคนใช้ของเราเลยเห็นไหม นี่แหละนี่แหละเจ้าพุธอย่างนี้เจ้าพุธอย่างนี้หาได้ที่ไหน น, นี่เป็นตัวอย่างนิทานนี้เป็นนิทานความจริงในธรรมบทในที่เรียนบาลีนะั่นดางนั้นวันนี้ก็สมควรเก็เวลาแล้วอขอยุดติการบรรยายในภาคก่อนฉันอาหารเอาไว้แต่เพียงเท่านี้